อขาจะมาเคยมาเยี่ยมที่บ้านแห่งนี้แล้วครั้งหนึ่งก็ติดเนื้อต้องใจว่าเป็นบ้านที่งดงามเพราะว่าเป็นฝีมือของอาจารย์ถวันดัชนีก็จําได้ว่าที่นี่มีดีคือมีงานศิละปะคือบ้านหลังนี้ไม่ใช่แค่บ้านแต่ว่ามันคืองานศิละปะซึ่ง ประเมินค่าไม่ได้แล้ววันนี้มาครั้งหนึ่งอ้อเป็นสำนักปฏิบัติด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่แล้วพอเป็นสำนักปฏิบัติเนี่ยก็ประเมินค่าไม่ได้แต่ว่าไม่ว่าจะเป็นงานศิลปะหรือเป็นสำนักปฏิบัติแท้ที่จริงมันคือเรื่องเดียวกัน คือตัวบ้านเป็นศิลปะแต่ว่าการปฏิบัติก็เป็นศิลปะบ้านเป็นศิลปะภายนอกสร้างยังไงมันก็จะอยู่อย่างนั้นแหละแต่ว่าธรรมะนั้นเป็นศิลปะภายในพอเราประพฤติปฏิบัติธรรมแล้ววันนี้เราอาจจะเป็นคนอย่างนี้ แต่พอปฏิบัติธรรมแล้ววันพรุ่งนี้เราอาจจะเป็นอีกคนหนึ่งวันนี้เราเป็นคนที่มืดมาพอปฏิบัติธรรมแล้วเราสว่างไปวันนี้เราเป็นคนที่ทุกมาพอปฏิบัติธรรมแล้วเราสุขไปวันนี้เราเป็นปุถุชนมาพอปฏิบัติธรรมแล้วเราเป็นอริยชนไปการปฏิบัติธรรมก็คือการทำงานศิลปะมันเป็นศิลปะ ของการใช้ชีวิตที่สุดของศิละปะก็คือการใช้ชีวิตที่สุดของชีวิตก็คือชีวิตที่ไม่มีความทุกขหรือหากจะยังคงมีความทุกก็มองหาความสุขในทุกนั้นได้อาตมาถึงบอกว่าที่นี่มีดีสองสถานดีภายนอก ตัวบ้านตัวครือหารเป็นงานศินละปะของศิลปินเอกของโลกดีภายในท่านเจ้าของบ้านได้เปลี่ยนบ้านให้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมตามวาระตามโอกาสอันเหมาะอันควรแล้ก็น่าเย็นยิ่งขึ้นไปกว่า น, นั้นอีกที่ท่านเจ้าของบ้านก็มีเพื่อนบ้านเป็นอาจารย์นครพงน้อยก็เป็นศินลปินเอกเอกน่าเชื่ใจ เราทั้งทั้งหลายมาอยู่ในสถานที่เอื้อต่อการปฏิบัติธรรมอย่างนี้แล้วต้องใช้โอกาสนี้คุ้มที่สุดทำยังไงหนาะชิ้นนี้จึงจะเป็นงานศิลปะเราทุกคนเปรียบเสมือนดินหนึ่งก้อนดินหนึ่งก้อนนั้นมันอาจจะถูกขยี้ขยำเป็นโคลนเป็นเลนก็ได้อาจจะถูกเททิ้ง เป็นทางให้คนเหยียบย่ำก็ได้หรือลูกเล็กเด็กแดงเอาไปปั้นเป็นลูกหนังสติกไปยิงนกหนูหมูปีกก็ได้หรือมีเช่นนั้นช่างบางคนอาจจะเอาไปปั้นเป็นก้อนอิดไว้ก่อสร้างอาคารบ้านเรือน หรือบางทีถ้าเอาไปใส่มือให้ศิลปินเอกเขาเอาไปปั้นเป็นพระประธานให้คนกราบให้คนไหว้บางทีเอาไปให้ศิลปินอีกคนหนึ่งก็เอาไปปั้นเป็นถ้วยจาย์ชามเครื่องสังฆโลกเป็นเครื่องเรือนเซรามิกล้าค่าก็ได้ยมดูดินก้อนเดียวไร้ค่าก็ได้มีค่าก็ได้ ชีวิตของเราทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็เป็นดั่งเินหนึ่งก้อนเราต้นทุนเท่ากันนะทับสี่ขันห้าเหมือนกันไม่เกินนี้เราชีวิตนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ทั้งบนอาสนะและข้างล่างนะถอดสมมุติออกก็เหลือแค่นี้ดินน้ำลมไฟรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เท่ากันต้นทุนของเราเท่ากันแต่ถ้าใครมีศิลปะเติมธรรมะเข้าไปในชีวิตจากต้นทุนเท่ากันแต่ในที่สุดจะมีคนหนึ่งที่ได้กำไรแต่บางคนที่ไม่รู้จักเติมธรรมะลงไปในชีวิตถึงต้นทุนจะเท่ากันก็ขาดทุนอยู่ร่งไปเอาละ เราได้ต้นทุนมาเท่ากันห้าสี่ขันห้าเหมือนกันรวมกันเรียกว่าชีวิตเราจะต้องหาวิธีที่จะปัน้นที่จู ว, ว่าที่จะแกะที่จะเจริญในก้อนเดินแห่งชีวิตนี้ให้เป็นงานศิลปะที่ลำเลิประเสริฐสีให้ได้อาตมาขอให้เทส ขอให้แนวทางในการที่จะสร้างชีวิตนี้ให้เป็นงานศิลปะเพื่อที่ว่าโยมจะได้ช่วยกันปรับแต่งชีวิตนี้ให้เป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญหรือจองให้ไม่สุขไม่เจริญตกอยู่ทัางกลางความเสื่อมแต่โยมก็จะสามารถอยู่ร่วมกับความเสื่อมได้อย่างมีความสุขเรียกว่าเป็นความเย็นท่างกลางเตาหลอมเหล็กทำยังไงล่ะ จึงจะใช้ชีวิตนี้ให้เป็นงานศินละปะที่ประเสริฐเลิศล้ำที่สุดหนึ่งโยมจะต้องรู้จักไตรลักษณ์ไตรลักษณ์คืออะไรลักษณะสามัญของสิ่งทั้งปวงมีสามอย่างหนึ่งอนิจจังไม่เที่ยงสองทุกขัง เป็นทุกสามอนาตตาไม่มีความสมบูรณ์ในตัวเองถ้ายอมรู้จักอ น, นิจจังยอมก็รู้จักพุทธศาสนาถ้ายังไม่รู้จักอ น, นิจจังก็ยังไม่เข้าใจพุทธศาสนาอ น, นิจจังความไม่เที่ยงก็หมายถึงการที่ชีวิตก็ดีสิ่งปรุงแต่งทั้งหลายก็ดีมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา อาตมาไปดูพิพิพธภัณฑ์แผ่นดินไหวที่เมืองโกเบรประเทศญี่ปุ่นเขาบันทึกภาพเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ให้เราได้ดูอาตมานั่งดูแล้วก็สะเทือนจิตสะเทือนใจมากพ่อแผ่นดินไหวครั้งหนึ่งตึ ก, กรามบ้านช่อง ถนนหนทางรถไฟทุกสิ่งทุกอย่างมันล้มระเนระนาลงไปหมดคนอื่นดูแล้วจะคิดยังไงไม่รู้แต่อาตมาดูแล้วน่ยมันคล้ายๆจะบรรลุธรรมน้อยๆเลยนะอาตมาบอกตัวเองว่าดูเอาสิแผ่นดินซึ่งแน่นหนักเป็นหลักฐานวันดีคืนดีมันก็ยังไหวให้เราเห็นมันกําลังจะบอกเราว่าแผ่นดินซึ่งรองรับทุกสิ่งทุกอย่างที่มนุษย์สร้าง เอาเขาจริงก็ยังไม่มีความมั่นคงในตัวเองมันแสดงอันนี้จังให้เราเห็นฉะนั้นโยมทั้งหลายต้องรู้ทันนะต้องยอมรับว่าชีวิตนี้คือกระแสะของความเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนทั้งหมดทั้งสิ้นถ้าโยมปฏิบัติธรรมเชิงลึกจนกระทั่งสังเกตรูปนามได้รู้เท่าทันรูปรู้เท่าทันนาง เห็นกายเวทนาจิตธรรมอย่างแจ่มชัดย่อมจะรู้เลยว่าชีวิตนี้ไม่ใช่อะไรชีวิตนี้คือแรงสั่นสะเทือนเล็นอยที่มันไหลหรือมันสั่นยังต่อนเนื่องกันมันไม่เคยมีภาวะสถิตหรือนิง่งหรือมั่นคงอยู่ในตัวเองเลยแม้แต่สักนาทีเดียวมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอ น, นิจจังคือความเปลี่ยนแปลงถ้าเรารู้จักอ น, นิจจัง เราจะยอมรับความเปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าชีวิตมันเป็นอ น, นิจจังคือความเปลี่ยนแปลงนะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเราร้องหหไห้เลยตะวันไหวเลยคนที่เคยรักไม่รักเราก็ร้องไห้ของที่เคยรักตกแตกเราก็ร้องไห้เคยมีชื่อเสียงแล้วไม่มีเราก็ร้องไห้เคยอยู่สูงแล้วอยู่ต่อมามันต่ำเราก็ร้องไห้เคยมีชีวิตแล้วต่อมาไม่มีชีวิต เราเห็นอย่างนี้เกิดขึ้นกับคนที่เรารักเราก็ตี อ, อกชกตัวแทบล้มประดาตายแต่ถ้าเราเข้าใจความเป็นอ น, นิจจงนะพอความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเราก็บอกอ๋อมันเป็นของมันอย่างนั้นเองแผ่นดินมันยังไหวยังหวั่นให้เราเห็นว่ามันก็ไม่แน่นอนแล้วเราจะมากอดความแน่นอนไว้ทาไมมันผิดธรรมชาติเคยมีนิทานประยสเซนอยู่เรื่องหนึ่ง ว่ากันว่าอาจารย์เซนเจ้าวัดท่านชอบจิบน้ําชาเป็นอาจินท่านลางถ้วยชาของท่านมากเป็นเครื่องถ้วยเก่าอายุหลายร้อยปีเวลาจิบชาเสร็จท่านก็นล้างของท่านเก็บของท่านวันหนึ่งเน น, น้อยอุปถาของท่านปัดกวาดเช็ดตู้ห้องแล้วก็มาล้างถ้วยชา บังเอิญนั้นทำถ้วยชาแตกพลิ้งตกใจทำยังไงดีเนาะหลวงตารู้นะเราหัวขาดแน่นอนบังเอิญว่าเย็นวันนั้นพอทำา้าเสร็จนะหลวงตาหรืออาจารย์ก็เทศเน้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นอนิจจเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในธรรมกลางชั่วคราวแล้วก็แตกหนับไปในที่สุด ธรรมดาของทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เป็นอย่างนี้มันมีอันจะต้องแตกเป็นธรรมดาไม่เร็วก็ช้ามันจะต้องแตกนะลูกนะเนนฟังนะครับปงก่อนนอนคืนนะั้นมันกลัวความผิดนะมันไปหยิบเศษถ้วยชานะใส่กระเป๋าอังสาะคลานไปหาครูบาอาจารย์อาจารย์ครับผมชอบธรรมเทศาสนาของอาจารย์วันนี้มากอะชอบจริงเหรอลูก ในชอบตรงไหนชอบตรงที่พระอาจารย์บอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ในทรามกลางแล้วจะแตกดับไปในที่สุดมันไม่มีข้อยกเวน้นใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไม่มีข้อยกเวน้นลุกทุกอย่างของมันแตกได้มันต้องแตกไม่เร็วก็ช้าสังขารเราก็เป็นอย่างนั้นสรรพสิ่งก็เป็นอย่างนั้นเข้าใจไหมลูก เข้าใจครับแล้วเนนก็ล้วลงไปในกระเป๋าของสะเหมือนถ้วยชาถ้วยนี้ใช่ไหมครับหรือเป็นเศษกับเบื้องอาจารย์เห็นแล้วขบกรามกรอดกรอดเออมันไม่เที่ยงสุดท้ายเนนก็เอาตัวรอดไปเห็นไหมพอเข้าใจนิจังแล้วเป็นไงไม่มีใครถูกด่าหรอกมีแต่ความเข้าใจ ยมเห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วนักตายยมแทบไม่ไหลยมจะเห็นว่า๋อมันธรรมดาจริงๆเนาะ อ, อ, อย่าไปยึดติดอย่าไปถือมัน่นม mm ัน hmm. เกิดขึ้นได้มันก็แตกกลับได้มันก็เท่านั้นเองเห็นไหมยมส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าใจนิ่จังนะพอมีคนตายขึ้นมาร้องห่มร้องไห้อัตมาเคยไปงานศพก่อนจะเผาปุบ๊บพิธีกรก็ประกาศจากนี้เป็นต้นไป ก่อนจะทําพิธีชาพน ก, กิจศพก็ขอให้ญาติผู้วายชนขึ้นไปดูหน้าเป็นวาระสุดท้ายนะกระหมกันขึ้นไปดูเสร็จแล้วเป็นลมพับลงไปหน้าแทบจะชนศพในลงนะนี่คือคนที่ไม่เข้าใจอนิจจังถ้าเข้าใจอนิจจังเราจะมีอะไรใช่ไหมนี่แหละถ้ายอมเข้าใจอนิจจังนะถ้าองคกหักแฟนมาบอกเลิกนะ แทนที่จะร้องห้ายอมจะบอกเหรอแค่นั้นคาเดียวพอนะ <anime> <ieur> ทำไมอ่ะเอ้าก็เพราะท่านบอกแล้วมันครบได้มันก็เลิกได้เกิดได้มันก็ดับได้ก่อรูปได้มันก็แตกได้มันคงได้มันก็หวันไหวได้นี่คืออันิจจังไม่มีอะไรอยู่นิ่งๆทุกสิ่งทุกอย่างคือกระแสของความเปลี่ยนแปลง จองทุกขั้งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันไม่อาจทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดจากองค์ประกอบหลายสิ่งหลา ย, ลายอย่างมารวมกันเข้าอย่างขวดน้ำนี้มันไม่สามารถทนอยู่ในสภาพเดิมได้ตลอดไปหรอกเพราะขวดน้ำเกิดจากสิ่งซึ่งไม่ใช่ขวดน้ำ มีอะไรที่เรียกว่าขวดน้ํำไหมตัวขวดน้ําจริงๆมีไหมไม่มีหรอกนะลองแยกออกมาก็จะเป็นพลาสติกเป็นน้ําแล้วก็เป็นตราสัญลักษณ์แล้วก็มีสุญญากาศขวดน้ําเกิดจากสิ่งที่ไม่ใช่ขวดน้ําเพราะฉะนั้นมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้การที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้อย่างนี้แหละเราเรียกว่าทุกข์ อย่พวกเรานั่งนานๆอย่างเงี้ยโดยไม่ขยับได้ไหมสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมนิ่งๆเลยยึดตัวตรงไม่เคยได้เดี๋ยวต้องเผลอขยับเนี่ยทุกข์ถามว่าทําไมมันจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่ามันไม่ได้เกิดจากองค์ประกอบเพียงสิ่งเดียวมันรวมกันหลายสิ่งหลายอย่างมาสามัคคีกันอยู่เพราะฉะนั้นมันต้องพยายามปรับ ต, ตัวตลอดเวลา การที่ทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันเข้าเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้มันตกอยู่ในกระแสะของความเปลี่ยนแปลงเพราะมันเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันก็เก่ะให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็คือภาวะที่มันไม่อาทนอยู่ในสภาพเดิมถามว่าทำไมมันจึงทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวที่แท้จริงของมันเลยก็คืออนัตตาทาไมมันเป็นอนัตตา ก็เพราะสิ่งที่เรียกว่าแก่นแท้ๆมันไม่มีสรรพสิ่งคือของปรุงแต่งเป็น ต, ตัวเรานี้เป็นอนัตตานะท่านบอกว่าที่มันเป็นอนัตตาเพราะว่าเราสั่งมันไม่ได้เลยแค่มันแก่แล้วสั่งไม่ให้แก่ได้ไหมเต็มที่ก็ชะลออ่ะแต่ต้องจ่ายค่าชะลอแพงนิดนึง มันจะหมดแรงสั่งไม่ให้หมดแรงได้ไหมหอยู่มากขึ้นแรงจะหมดลงตามลาดับมันป่วยสั่งไม่ให้ป่วยได้ไหมก็ไม่ค่อยได้ทำได้เต็มที่แค่ชะลอมีเงินมหาศาลแค่ไหนก็ตายได้ใช่ไหม <c oughs> ฉะนั้นการที่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงคืออนิจจังก็เพราะมันเป็นทุกคือมันมีความขัดแย้งในตัวของมันเอง ามว่าทำไมมันมีความขยังในตัวของมันเองก็เพราะมันเป็นอนัตตาอันได้แก่มันไม่มีความสมบูรณ์อยู่ในเนื้อในตัวของมันมันเกิดจากของหลายอย่างมารวมกันเข้าชั่วรังชั่วคราวรแล้วก็กลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนอันนี้จังทุกขังอนัตตาแต่เองอย่างหนึ่งให้เข้าใจง่ายว่าไม่เที่ยงไม่ทนไม่แท้ถ้ายอมเข้าใจเรื่องนี้นะชีวิตยอมจะง่ายขึ้นเยอะเลยเชื่อไหม จะง่ายขึ้นมากความยึดติดถือมั่นจะเบาจะบางไปเยอะความสบายเกิดขึ้นในชีวิตพอเรามาฝึกวิปัสสนากนารรมฐานเราจะเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยอันนี้จังลมหายใจของเราในชัดมากนะมันเข้าแล้วมันออกมันออกแล้วมันเข้าถ้าโยมอยากให้มันเป็นนิจจังนะเข้าเลยไม่ต้องออกได้ไหมออกเลยไม่ต้องเข้าได้ไหมอะไรที่ขาดกหลักอันนี้จังอันตราย ฉะนั้นเราต้องปรับตัวให้เข้ากับหลัก อ, อนิจจังทุกขังอนตัตตารู้เท่ารู้ทันแล้วก็ปรับตัวให้สอดคล้องเท่านั้นเองเรารู้จักหลัก อ, อนิจจังเพืเพื่อที่เราจะได้ไม่ยึดติดถือมันคาว่าไม่ยึดติดถือมันไม่ได้ไหมายความว่าปล่อยมันเลยไม่ใช่นะเราก็ดูแลเขาไปตามเหตุตามปาัจจัยเช่นร่างกายนี้เรายึดติดถือมันไม่ได้วันหนึ่งมันจะแตกดับไม่ใช่嘛อ้าวพอพระพูดอย่างนี้เราก็ปล่อยมันเลยสิดูแลมันไปเดี๋ยวมันก็ดับอะ อย่านะเรารู้เท่าทันใจลักไม่ใช่เพื่อแปลฝ่ละเลยเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเราต้องดูแลมันให้ดีที่สุดไม่ฉะนั้นความไม่เที่ยงจะมาถึงเร็วกว่ากาหนดเห็นไหมท่านให้เรารู้ทันสัจธรรมไม่ใช่เพื่ออยู่เฉยเฉยแต่เพื่อให้ปรับตัวปรับใจให้สอดคล้องกับสัจธรรมในเมื่อมันไม่เที่ยงเราต้องดูแลให้มันดีที่สุดเพราะความตายเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานี่คือสัจธรรมที่สําคัญมาก ในฐานะชาวพุทธเราต้องเข้าใจไรล่ะสองต้องรู้ทันโลกกะระทำโลกกะระทำคือธรรมดาของโลกโลกกะระทำคือธรรมที่มีอยู่ประจำโลกมีสองฝ่ายฝ่ายชื่นชมและขมขืนฝ่ายชื่นชมกับขมขืน่นขืนแบ่งเป็นฝ่ายละสี่รวมสองฝ่ายเข้าด้วยกันก็เป็นแปดได้ลาบเสื่อมลาบ ได้ยศเสื่อมยศ ส, สันเสริญเนนทาสุขทุกคนส่วนใหญ่ถ้าได้ลาบแล้วทำยังไงขอให้ได้ต่อไปไม่อยากได้ยินคำว่าเสื่อมราบหรอกถ้าถูกหวยงวด น, นี้แล้วมันต้ถูกอีกทุกวงวดนะถ้าทำมาหา ก, กินได้เงินค่องๆแล้วก็ต้องให้มันได้ตลอดไปถ้ามียศแล้วต้องยศต้องสูงตลอดไป ถ้ามีอำนาจแล้วอำนาจต้องอยู่กับเราตลอดไปเดี๋ยวเราขึ้นอย่างนี้เราไม่ยอมรับอีกด้านหนึ่งแต่ทางพระท่านบอกว่าได้ลาบจำํำไหมนะเดี๋ยวจะเสื่อมลาบท่านได้อะไรมาท่านจำํำไหมเลยนะท่านจะเสื่อมจากมันหรืมันก็จะเสื่อมจากเราไม่เราก็มันไม่มันก็เราจะต้องพัดพราจากกันแน่ละ่ะมันยกหน้ามือขึ้นมายอมว่าหลังมือมาไหมมาไหม ยกหายกหลังมือขึ้นมาหน้ามือมันมาไห ม, ม น, มนี่เห็นเรื่องอัตมาเมลูกสิษธ์คนหนึ่งรักหมามากเอาหมาเป็นลูกนอนกับหมากินกับหมาดูทีวีกับหมาไปดูหนังกับหมาขึ้นเครื่องบินกับหมาไปดูคอนเสิร์ตก็หมาไปด้วยมักราอัตมาก็เอาหมามาด้วย วันหนึ่งหมาตายโทรศัพท์มาหาอ า, าจารย์เขาไปแล้วโวมเสียใจกิงข่าวไม่รงเมันเดินแทบไม่ออกเลยเหมือนลูกเราพอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้เขาทุเดีอยู่แล้วกำลังหาเพื่อนทุกข์อาจารมาก็บอกว่าไม่รู้สึกอะไร เอ้าอาจารย์พูดนี้ได้ไงอ่ะ<ว>พูดนี้หมายความว่า ย, งายังไงอ่ะอาจารย์ไม่มีหัวใจเหรอถ้าพูดอย่างนี้โยมไม่ศรัทธาแล้วนะอาจารมาก็เอาทํำมาโ ย, ยมพูดอย่างนี้อ่ะก็โยมทุกข์อยู่เนี่ยแล้วพระอาจารย์ไม่รู้สึกรู้สัมอะไรเลยหรือคือเขากำลังหาเพื่อนทุกข์นะอาจาย์มาบอกธรรมาจะไปรู้สึกอะไรอ่ะ ก็มันหมามันของไม่เที่ยงอ่ะธรรมารู้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วอ่ะถ้าโยมรักมันอ่ะเดี๋ยวยมก็เสียมันอ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านบอกแล้วที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์อ่ะถ้าไม่มีทุกข์ถ้าไม่อยากมีทุกข์เพราะความรักในายารักไม่ยั้นก็อยู่เหนือความรักแต่ถ้ารักแล้วจะไม่ให้ทุกข์พะพุทธเจ้าท่านบอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ใดมีกอดที่นั่นมีกัดนะมันมีกุหลาบแล้วยมจะไม่เอาหนามได้ไหมล่ะ มันมีมีไฟแล้วยมจะไม่เอาควันได้ไหมล่ะออกแดดแล้วโยมจะไม่เอาเงาได้ไหมล่ะของพวกนี้ของเข้ามาด้วยกันพอได้ลาบแล้วโยมจะไม่ให้เสื่อมราบได้ไงแต่มนุษย์ส่วนมากไม่คิดอย่างนี้หรอกยมไปจับหัวงูแล้วยมจะปฏิเสธหางูได้ยังไง โยมจับหางงูแล้วโยมบอกฉันไม่เอาหัวงูนะหัวงูมันมีพิษฉันจะเอาแต่หางมันไม่ได้นะของอย่างนี้เนียเขามาด้วยกันฉะนั้นถ้าเราได้ลาบคือได้สิ่งดีงามล้าเลิศไม่ว่าจะเป็นเข้าของเงินทองทุกสิ่งทุกอย่างที่เราได้แล้วเนี่ยมันทําให้เรารู้สึกชื่นชมบรมสุขกันมานอันนั้นะเขาเรียกลาบถ้าโยมได้มาขอให้รู้ว่าวันหนึ่งโยมจะเสียไป ถ้าเราไม่เสียมันมันก็จะพัดพราดจากเราไปอันเนี้ยเป็นธรรมดาได้ลาบจะเสื่อมลาบนะรู้ทันไวนะทันทีที่ความเกิดเกิดขึ้นกับเราความแก่เขาก็แถมมาในนั้นอย่างเนี้ยให้เข้าใจนะถ้าเข้าใจเรื่องอย่างนี้แล้วยมจะเบาลงไปเยอะหละบางคนบางคนเกิดมาแล้วพอมันเริ่มแก่โกรธความแก่เพื่อนดุเดียวกันไม่เห็นเขาแก่แล้ว แล้วทำไมฉันนะ่ะผมงอกนะโกรธตัวเองนี่คือไม่เข้าใจไม่เข้าใจว่าได้ลาบแล้วเสื่อมลาบมันก็ตามมาตรงนั้นแหละยอมหยิบหรือว่ายอมดึงต้นไม้เล็กๆขึ้นมาต้นหนึ่งยมดึงที่ปลายมันสาวขึ้นมาสิโคนมันขึ้นมาไหมขึ้นมาไหมมีโคนก็มีปลายนะ่ะ มีตายมก็มีคน่ได้ลาภคู่กับเสื่อมลาภฉะนั้นถ้าท่านได้ลาภท่านอย่าไปรังเกียจความเสื่อมลาภเขามาแน่มาช้ามาเร็วอีกเรื่องหนึง่งต่อไปได้ยศคู่กับเสื่อมยศพระท่านเตือนว่ายะโสลภานมัชไยะได้ยศแล้วอย่าไปเมายศคืออะไรอำนาจตำแหนง่งคนชอบ คนชอบยดแล้วบางทีก็เสพติดยศอำนาจเนี่ยหรือยศเนี่ยเป็นยาเสพติดยิ่งกว่ายาเสพติดเพราะว่าแทนเสพติดแล้วเนี่ยถ่ายถอนยากคนจำนวนมากพอได้ยศแด้มนตแล้วก็หลงตัวเองหลงตัวเองแล้วก็มองไม่เห็นหัวคนอื่นแล้วก็คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ ไปที่ไหนก็ต้องให้คนอื่นเห็นว่าตนเป็นคนสําคัญทั้งหมดทั้งส้นพอไปในที่ที่คนเขาไม่เห็นว่าตนเป็นคนสําคัญทุกไหมทุกเอกพอถูกกระถดยศทุกไหมหทุกเอกพอเขาไม่เลื่อนยศทุกไหมหทุกเอกเห็นไหมแต่ยศนะ่ะอย่าไปคิดว่าสุขอย่างเดียวนะตนได้ยศกระฉลองสามวันเจ็ดวันทีนี้ถึงเวลาเลื่อนไม่เลื่อนอ่ะทุกไหมหทุกเลยนะทีนี้เลื่อนไปแล้วแต่ไม่ถูกใจทุกไหมทุกเอก เขาถอดทุกไหมทุกอีกอนะดูสิจริงๆนะแต่มาอยากจะบอกว่าสุขกับทุกข์มันอยู่ด้วยกันนะยังรู้ความจริงอย่างนี้แล้วเนะี่ยอย่าเพิ่งไปเสียใจนะของเขามาด้วยกันนะสุขกับทุกข์เขาอยู่ด้วยกันฉะนั้นได้ยศกับเสีอมยศเขาก็อยู่ด้วยกัน ต่อไปสันเสริญนินทามาคู่กันนะโยมเคยได้รับการสันเสริญไหมไหนใครไม่เคยถูกชมมั่งตั้งแต่เกิดเป็นคนมาไม่เคยได้รับคําชมเลยมีไหมเคยถูกนินทาไหมเคยถูกด่าไหมประจำเนาะสันเสริญคู่กับนินทาอาจจะมาเขียนคติธรรมเตือนตัวเองว่า อยู่ใต้ฟ้าอย่ากลัวฝนเกิดเป็นคนอย่ากลัวคำเล่นท้าอีกบทหนึ่งอัตมาเขียนเอาไว้ว่าถุกชมก็เข้าท่าทุกดาก็ไม่เลวตอนเป็นเน่นน้อยเคยอ่านเจออีกบทหนึ่งท่านเขียนเอาไว้ว่าเกิดเป็นคนก็ต้องทนให้เขาด่าจะทำดีทำบ้าเขาด่าหมดถ้าทำดีเขาก็ด่าว่าไม่คดทำเล้วรถเขาก็ด่าว่าไม่ตรง ทุ่มททำดีทุกคืนทุกวันคนยังด่า่าสร้างภาพทำดียังถูกด่าทำชั่วมันจะขนาดไหนเนี่ยมนุษย์อย่าไปถือสาหาความกับปากคนนะอยู่ในโลกก็ยอมรับซะเวลาที่ถูกด่าแตมานึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์เคยถูกผู้หญิงคนหนึ่งจ้างมบมาดานะติดเมืองดานะเจ็ดคืนเจ็ดวัน ขนาดพานนระอนุลร้องไห้น่ะถ้า พ, พุทธานุชาร้องไห้าเลยพระอ น, นุลไปบอกพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระผู้มีรพระภาคเจ้าเราหนีกันเถอะพุทธเจ้าถามว่าห น, นีไปไหนไปเมืองที่เขาไม่ดา่าพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหนีไปเมืองโน้นแล้วเขาด่าจะว่าไงก็หนีไปเมือง น, อ น, าางนู้นให้มึง น, นมงนูน้นเขายัางหนาจะไปไหนตาเมืองนูน้น นะสุด้ายพุทธเจ้าก็ทรงพระส่ว น, นอนอนไม่มีหรอกที่ทุ่คนไม่ดา่าเกิดมาเป็นคนจงยอมรับซะถูกชมถูกด่าเป็นของสามัญเปรียบเสมือนช้างศึกอย่างลงสู่สงครามมนุษย์เกิดมาในโลกเปรียบเสมือนช้างศึกอย่างลงสู่สงครามต้องพร้อมจะยอมรับหอกดาบแลหลนเหลาปืน สัตร์มนุษจะเล่นมาจากทิศทั้งสี่ชันสึกไม่หวั่นไม่เกรงฉันใดเราเกิดมาเป็นคนอย่าหวั่นอย่ากเกรงต่อคําชมคําด่าฉันนั้นพระพุทธองค์ไม่ยอมเหนื่สุดท้ายก็ครบเจ็ดวันม็บั้นก็เฉาไปเองเพราะอะไรด่าเจ็ดวันมันก็หมดสภาพไปเองนะนี่แหละวิธีเอาชนะคําด่าของพระพุทธเจ้าอาตมาบอกเต็มเสมอเวลาถูกดา่าอาตมาบอกว่า ขนาดพระพุทธองค์ทรงเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์พร้อมด้วยความดียั ง, ยงถูกด่าและรับประสาอะไรกับมนุษย์ซึ่งกระดํากระดังอย่างเราจะไม่ถูกด่าบ้งางพอคิดได้อย่างนี้อาตมาก็สบายใจพวกเราคิดได้อย่างนี้ไหมถูกด่าทีนึงแค้นสามวันเจ็ดวันถูกชมนะตัวลอยไม่ติดพื้นนี่ถูกชมก็ฟูถูกด่าก็แฟบ แสดงว่ายังก่อนต่อโลกมากไปสุดมาใหม่นะไปสุดมาใหม่ต่อไปสุกคู่กระทุก <c oughs> ถ้าเราสุก <c oughs> ก็อย่าไปยึดติดในสุกมันพลิกเป็นทุกข์ได้ถ้าเรากาลังทุกชีวิตอยู่ในช่วงขาลงแทบลท้มแทตายก็อย่าไปทดทอ้หอห่อเหียวจนหมดแรงที่จะก้าวไปข้างหน้า พระบางทีทุกข์ถึงที่สุดมันอาจจะเบีบเราให้สุดที่สุดก็ได้เหมือนองค์ใดหลายละมะทุกเจนบีบคขันสุดท้ายต้องเนรเทศออกมาอยู่อินเดียไม่มีแผ่นดินอยู่ชีวิตกลงโรงก็ไม่ปลอดภัย ถ, ถูกเกลียดชางถูกเขาดา่าถูกเขาปานหัว ต้องร่อนเร่พระเนจรเป็นกษัตริย์ไร้บัลลังก์เป็นผู้นำทางจิตวิ ญ, ญญาณที่ทิ้งผู้จามเอาไว้ข้างหลังลุกแท บ, บล้มประดาร่าตายทัพเซนพระเนจรไปทั่วโลกแต่ในที่สุดพรงได้รับรางวัลโนเบลไพรสสาขาสันติภาพทุกวันนี้กลายเป็นคนของโลกฮอตมิกว่าซุปเปอร์สตาร์ดาราฮอลลีวูดมาเป็นลูกศิษย์หมดเลยใครอยากเท้ต้องไปเป็นลูกศิษย์ดาล่ละมะ อา้าวทำไมมันเป็นอย่างนี้ถ้าท่านไม่ทุกข์ถึงที่สุดโยมมาท่านจะไปถึงระดับนั้นนะไม่ถึงอะ่ะฉะนั้นอย่าไปกลัวความทุกข์อาจจะมามองว่าความทุกข์คือมเมล็ดพันธุ์ของความสุขดอกบัว ก, กันตัวเองจากตมและน้ำปัญญาชนกาันตัวเองจากความทุกข์และกิเลด ถ้ามันทุกขึ้นมาแทบล้มประดาต่างอย่าเพิ่งทำร้ายตัวเองนะทุกข์ถึงที่สุดอาจจะสุขถึงที่สุดก็ได้ก่อนเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังผู้หญิงคนหนึ่งผิดหวังจากชีวิตคู่เจ็บช้ำน้ำแจแทบล้มประดาตายเพราะว่ารักกับสามีมาตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันแต่งงานแล้วมีลูกสองคน แล้วต่อมาสามีก็ไปมีสามีใหม่เธอ ก, ก็ไปฟ้องหยา่าสามีไม่ยา่าสามีบอกว่ารักทั้งคู่แหละรักทั้งเขาและคุณผู้หญิงคนนี้ทุกทุกทุกแทบล้มประดาตายทุกอย่างที่หนึ่งคือ โก็คบมันมาตั้งแต่มหาวิทยาลัยจนแต่งงานมีลูกสองคนทำไมดูไม่ออกทุกอันนี้ทุกเราะโกรตัวเองทุกอย่างที่สองเมื่อจับได้แล่ทันแล้วเขาเอาสมบัติไปประเคนให้คุณหรือมันเกือบเส้นเนื้อประดาตัวเพราะข อ, อยาเมื่อยาแล้วก็ก็บอกว่าผมก็รักทั้งสองคนเธอถามว่า คนรักกันเขาทำกันอย่างนี้ได้ไงสามีก็บอกว่าก็เพราะรักไงถึงทำอย่างนี้ถ้าไม่รักผมก็ทิ้งคุณสิโอโหเจ็บหนักเข้าไปอีก <c oughs> แล้วทุกอย่างที่สามคืออะไรเ <c oughs> พื่อนที่คบหากันเริ่มรู้แล้วแค่รับข่ า, ขายว่าเธอเตียงหักตอนแต่งงานจัดใหญ่โตมโหฬารลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลิกก็ไม่ได้อายเขาโอ้แทบลมปดาตาย ต้องไปอยู่ต่างประเทศเป็นปีนะขายธุรกิจหมดบอกว่าขออยู่ในที่ที่ไม่มีคนคนนี้ร่วมแผ่นดินด้วยต้องอยู่ต่างประเทศแล้วก็ให้ลูกเนนังสืออยู่ที่เมืองไทยแต่ความทุกเวลามันเกิดมันเกิดที่ไหนเกิดในบ้านที่เรานอนอยู่ในรถที่เรานั่งไปหรือว่าที่ไหนมันที่ใจก็ย้ายไปอเมริกาก็ไม่ทุกที่อเมริกา หนักหนาสาหัสถูกคนดำขึ้นบ้านเอาปืนมาจ่อคนทรัพย์สินไปยแล้อเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวไปอยู่ในย่านคนรวยในย่านคนรวยก็จริงแต่ไม่มีพี่เพื่อนน้องไปอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเพราะไม่อยากคุยกับใครไม่อยากให้ใครดูใครรู้ใครเห็นชีวิตขอปิดตัวเองจากโลกก็พอปรีมีเียกอย่างถึงที่สุด พอถูกป้นแล้วเหลือตัวคนเดียวเห็นไหมนีอย่างแต่เสียทั้งหมดนะคือพอถูกต้นมันไม่มีเพื่อนเลยเจ็บแดดล้ลงบัรดาลายบินมาเมืองไทยไป <c oughs> <c oughs> บอกลูกว่าลูกมีที่ไหนที่แม่อยู่แล้วไม่ทุกข์ไหมมีไม่ลูกนะ <c oughs> ลูกก็เป็นแฟนหนังสืออัตมาลูกก็บอกว่าแม่แม่ไปหาพระอาจารย์หนูไหม ใครอะผ้าจัน์หนะลูกก็ไปเปิดย t u b e ให้ดูแม่ดูนี่ะ้จาจัน์หนะอุย้ยฉันไม่ไปหรอกพ้าหน้าเด็กจะตายไปเอา้าปิดเลยลูกหนีลูกก็ยังไม่ยอมอยู่ตอมาวันนึ่งเป็นนั่งดูรายการโทรทัศน์คุณสุทธิชัยยุนสัมภาษณ์อาตมา เธอนั่งดูคนเดียวไปเรียกลูกมันลูกเนี่ยพระใสเว่นใช่รูปเดียวกันนะป่ะนี่แหละแม่ ห, หนูเปิดยูทุปให้ดูอ่เออเ่อวันนั้นทำไมไดเด็กเด็กเมื ว, วันนี้คุยกับคุณสุทธิชัยอยูนทำไมดูแก่แก่เออท่านตอบคำถามดีนะลูกได้ใจ แม่แม่ถ้าแม่ว่าอันนี้ดีแม่มาดูนี่ลูกไปเปิดยูทูปมันจะมีแทปอยู่เทปหนึ่งอันจะมาคุยกับวูดดี้วุดดี้เกิดมาคุยอันนี้เด็ดกว่าอีกแม่แม่ดูมเปิดให้แม่ดูดูไปดูมาเออลูกท่านอยู่ไหนอะแม่ถามอะไรนะฉันเถอะแม่เดินเข้าห้องกลัเสีย ฟ, ฟอร์มสุดท้ายลูกก็เลยโปรดแม่พามา เข้าคอร์สวิปัสนากับอาตมาและด้วยความที่แต่ไฮโซก็บอกว่าขอไม่ไปอยู่กับใครนะคะโยมจะไปของโยมอย่างเงี้ยนะอาตมาก็รู้สึกว่าอู้เอโซเนีมันเรื่องมากจริงจิ๊กเจ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> จบมันก็เจ็บคนเดียวทุกคนก็ทุกคนหนีก็หนีคนเดียวถูกป้นก็ทุกคนเดีย ว, ยว <c oughs> มาปฏิบัติ ก, <c oughs> ก, ก็จะมาคนเดียวอีก <c oughs> อาตมาเลยให้หนอนเต็นท <c oughs> ์คระอาจารย์ แล้วเวลาคนอื่นเข้ามาเนี่ยเขาต้องนอนเต็น์ไหมอะ <Sm ell> นอนโยมแบบไม่ไม่มีไม่มีแบบสิทธิพิศเศษหรือ<ม>ยังโยมมาปฏิบัติกลางวันแลกลางคืนโยมไปนอนโรงแรมดูสิทธิ์ได้ไหมอาจารย์มา บ, บอกโยมยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะเนี่ยไม่แค่เล่าให้ฟังว่าต้องนอนเต็น์ คิด <c oughs> แผนสองแล้วอ่ะโอ้โอดูดูมนุษย์ทําสิสุดท้ายอัตมาก็บอกว่าโยมตัมมามีเวลาน้อยนะกว่าตัมมาจะรับนิมนต์ใครสักคนหนึ่งอัตมาจะต้องทิ้งไปร้อยคนพันคนเพราะว่ามีคนนิมนต์เข้ามาทุกวันฉะนั้นถ้าโยมจะปฏิบัติขอให้โยมรู้ไว้ว่าตัมมาปฏิเสธคนไปแล้วร้อยคนเพื่อเพื่อโยมคนเดียวโยมจะปฏิบัติไหม เจ้าค่ะก็ยังไงก็เอาอะค่ะผีถึงประชาแล้วก็ต้องฝังอันตรมาก็ให้ปฏิบัติก็ให้นอนเต้นก็ให้ปฏิบัติคืนแรกนอนไม่หลับตีสามตื่นอันตามาก็ดีใจว่าโอ้โหตีสามตื่นนะขยันปฏิบัตนะินะนะแท้ที่จริงไม่ได้ขยันหรอกเพราะอะไรตั้งแต่นอนคือยังไม่ได้หลับเลยกลัวผีกลัวมาก ยิ่งปรุงแต่งและยิ่งวิจิตบัรจงสุดฮาเธอเลยนั่งอ่านหนังสืออยู่คนเดียวแล้วก็เปิดไฟฉายทิ้งก็้ทั้งคืนก็สมสารมาอาจรมาก็เลยบอกเอาละโยงในเมื่อไม่หลับก็ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเราก็มาฟังเทศกันเลยอาตรมาเทศเลยน้าตั้งแต่ตีสามมาลากยาวไปเลย <c oughs> เทศไตเทศไตเทศ <c oughs> โอ้พระอาจารย์มันมีอย่างนี้ด้วยหรือ อย่างนี้คือยังไงอดาดมาบอกว่ายมรู้ไหมคนที่ได้ดวงตาเห็นธรรมนะ่ะก็คือเขาไปเข้าใจว่ายังกิมจิสมุททยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมังสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นมีความดับเป็นธรรมดาพระพุทธองค์ท่านใช้คาว่าเป็นธรรมดามีแต่คนบางคนนั่นบางคนนั้นแหละไปเห็นว่าธรรมันดับแล้วไม่ธรรมดา โอ้พอเธอฟังมาถึงประโยคนี้นะเธอบอกว่าพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันธรรมดาเหรอคะโอ้แล้วนี่ทุกขนเพราะว่ายมไม่ยอมรับว่ามันธรรมดาใช่ไหมนี่อาดามาก็บอกก็ใช่ส่ก็ยด้ยอมยอมรับซะมันจะมีอะไรล่ะถ้ายอมรับซะตั้งแต่ปีที่แล้วความทุกข์มันก็จบแล้วนี่เราไปต่ออายุให้ความทุกข์ก็เพราะเราไม่ยอมรับว่ามันได้เกิดขึ้นแล้วพอเข้าใจอย่างนี้นาหมูน้ําตาไหลเลย วันที่สองวันที่สามไม่กลัวผีแล้วเพราะอะไรจิตพร้อมแล้วจิตได้รับการฟอกตั้งแต่คืนนั้นพอจิตพร้อมแล้วปฏิบัติทั้งคืนทั้งวันทั้งวันทั้งคืนเลยสุดท้ายร้องห่มร้องไห้โทรศัพท์ไปหาลูกให้ลูกลาโรงเรียนมาบอกว่าแม่แม่เจอธรรมะเข้าแล้วลูกอย่าเอาแต่อ่านเลยมาปฏิบัติเป็นเพื่อนแม่เสร็จแล้วจะลากลับนลยนะก็กราบอาตมาแล้วก็ถามว่าพระอาจารย์กราบลูกได้ไหม ธรรมะทาไมถ้าไม่มีลูกนะโยมก็ไม่รู้จักพนระพุทธเจ้าหรอกและมีเรื่องหนึ่งจะขอคํามาพระอาจารย์อะไรอ่ะโยมเคยโทษว่าพระอาจารย์หน้าเด็กขอคํามานะคะโยมก็เพิ่งรู้ว่าคุณภาพคนไม่เกี่ยวกับหน้าตาธรรมาก็บอกไม่เป็นไรหลวงโยมเพราะว่าตอนโยมว่าธรรมาไม่ได้ยิน แล้ทุกวันนี้เรปฏิบัติธรรมแล้วก็เหมือนโยมอมรานี่แหละตอนเนี้ยเปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติแล้ะแล้วแต่มาถามมาเอา้ายังไม่คิดถึงคุณคนนั้นเหรอเขาบอกว่าโยมว่าถ้าไม่มีเขาโยมไม่รู้จักธรรมะของพระพุทธเจ้าทุกวันนี้โยมยังคิดถึงเขาอยู่เสมอโยมบอกเขาว่าถ้าเงินไม่พอใช้กับคนคนนั้นให้มาเอา เพราะว่าถ้าเขาไม่รักกันโยมจะไม่ได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตคือธรรมะของพระพุทธองค์ทุกวันนี้เปิดบ้านเป็นสำนักปฏิบัติเห็นไหมทุกที่สุด่ะไปเจอสุขที่สุดอะปฏิบัติทำจนนั่งร้องไห้นี่นี่ก็เป็นนักธุรกิจนะถ้ามองโดยพื้นฐานไม่มีอะไรต้องทุกข์แล้วคือไม่ทุกเรื่องเงินแล้วแต่ว่าไปทุกเรื่องครอบครัวเธอก็เล่าว่า ไปมีแฟนใหม่โยมก็รับได้นี่ไปมีสามีใหม่แล้วยมก็ใช้ขี้เร็วเมื่อไหร่พระอาจาว่าไหมเรื่องมนุษย์นะเห็นไหมเออก็เปลี่ยนแปลงไปได้เยอะทุกวันนี้เย็นลงมากเลยสบายนะแล้วลูกลูกก็ฉลาดพอแม่มาทางธรรมลูกยิ่งดีใจพาะอะไรเพราะว่าลูกเป็นสมาธิติอยู่แล้วไปปฏิบัติกักบครูบาอาจารย์มาเยอะแยะมากมายอันนี้เรียกว่าได้ลูกเป็นอภิชาตตบท ลูกปลดพ่อปลดแม่อย่างนี้ก็มีนี่ก็คือทุกขุกกระสุกหรือสุกมันขุกกระทุกแต่ถ้ามันสุขก็เตรียมใจไว้ว่าเดี๋ยวทุกข์อาจจะมาทุกมาก็เตรียมใจไว้ว่าอาจจะพลิกเป็นสุกสุกสุกทุกทุกทุกทุกสุกสุกเหมือนต้นไม้นี่ต้นนี้น่ะด้านหน้าด้านข้างเราต้นไม้ต้นนี้ยมเห็นฟืนอยู่ในนั้นไหม แล้ว่ามันเป็นฟืนได้ไหมเออตำ น, นี้มันเป็นต้นไม้แต่มันกลายเป็นเฟืนได้ไหมเห็นไหมมันเป็นฟืนก็ได้แล้วมันพลิกเป็นต้นไม้ได้ไหมล่ะมันก็ได้ยมงดูให้ดีๆเถิ ด, ด, ด, ดในชีวิตมันก็มีความไม่มีชีวิตอยู่ในความไม่มีชีวิตมันก็มีชีวิตของมันอยู่ยมจะต้องใช้ปัญญาขัา้นลึกเจาะทะลุทะลวงให้ดู ให้ถึงและยอมจะเข้าใจมันนะนี่คือโลกกระทำที่ยมจะต้องรู้ให้เท่าให้ทันนะได้ลาบเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศสรรเสริญเนนหาสุขทุกข์ถ้ายอมเข้าใจแล้วการรู้จักโลกกระทำจะเปรียบเสมือนคนยอมมีกันชนชีวิตรถยังมีกันชนใช่ไหมเราต้องมีกันชนชีวิตพอรู้ทันโลกกระทำแล้วความทุกข์เข้ามานะ่ มันไม่ประท้าใจเราตรงๆหรอกเพราะเรารู้ทันมันแล้วไงมันจะถูกกันถูกครองไปแล้วระดับหนึ่งก็เหมือนกับการชนชีวิตถ้าเราเข้าใจโลกกระทำโลกจะไม่กระทำเราแต่ถ้าเราไม่เข้าใจโลกกระทำโลกกระทำนี้ก็จะกระทำเราถ้ามันกระทำแล้วเรายังไม่ตื่นมันก็จะกระเทือบนี่แหละทำให้ดีนะศิลปะจิตประการที่สาม ยมต้องเข้าใจธรรมดาของชีวิตห้าประการหนึ่งคนทุกคนมีควา ม, ม, วามแก่เป็นธรรมดายมว่าธรรมดาไหมล่ะแก่หมดแหละที่นั่งอยู่ที่นี่ <c oughs> ตั้งแต่ปฏิบิติธรรที่ในคันบรรดาภาษาพหุเรียกว่าก็เริ่มแก่นับแต่บัด น, นั้นแต่ชาวโลกเรียกว่าเจริญวัยนะภาษาพราเรียกว่าแก่ จริงๆน่ะมันแก่แล้วแปลที่มันมันเจริญขึ้นเจริญขึ้นนไหนภาษาพเรียกว่าแก่เราจึงใช้คําว่าเจริญวัยคือมันแก่ขึ้นเราไม่เคยแปลคําว่าเจริญวัยละสิวัยมันแปลว่าเสื่อมนะเจริญก็คือเจริญเจริญวัยคือความเสื่อมมันเจริญเราเลยอยากเจริญวัย เรคิดว่ามันเป็นความเติบโตหาว่าไหมในมุมมองของพระเจริญเวรน่นน่ะคือมันแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่ขึ้นแก่เป็นธรรมดาไม่มีใครลุงพ้นจากความแก่หรอกแม้แต่เด็กที่เพิ่งแรกเกิดก็ถือว่าผ่านความแก่มาแล้วเมื่อเทียบกับตอนปฏิสนธิใช่ไหมไม่มีใครลงพ้นความแก่ไปได้หรอกเจ็บเป็นธรรมดาทําไม่เจ็บกายก็ต้องเจ็บใจทําไมเจ็บใจก็ต้องเจ็บกายตายเป็นธรรมดา ไม่ตายวันนี้ก็ตายพรุ่งนี้ไม่ตายพรุ่งนี้ก็ตายเมื่อรือนมื่เรือนยังไม่ตายก็ตายสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าไม่ตายก็ตายสัปดาห์นนสัปดาห์นนไม่ตายก็ตายชิ้นเดือนสิ้นเดือนไม่ตายก็ตายเดือนต่อไปเดือนต่อไปไม่ตายก็ตายสิ้นปีสิ้นปีไม่ตายก็รอปีต่อไปเดี๋ยวมันตายสักปีหนึ่งตายแน่มีใครตั้งใจว่าจะไม่ตายไหมต่อให้ตั้งใจก็ตาย เป็นธรรมดานะซีความพระพรากจากคนรักของรักเป็นธรรมดาเดี๋ยวมันพระพรากกันแหละมีของรักก็พระพรากมีคนรักก็พระพรากโยมนองกอดใครนะเดี๋ยวคนนั้นก็พระพรากจะอมกอดของโยมอโยมยึดติดอะไรนะเดี๋ยวสิ่งนั้นก็หลุดไปจากโยมแหละอย่างตอนนี้ยฟันมันยึดติดเหงือก เดี๋ยวว่ามันจะพาดจากการไหมพลาดไม่อะบางคนไปบ้างแล้วเนี่ย <laughs> โอ้โหโชว์ให้ดูที่โอ้โหเห็เตนตจเหงือเห็นไหมมันไปให้เห็นอย่างงี้แล้วอะ <laughs> แล้วเห็นทำบ้างไหมคนที่ฟันลานเหงือกไปแล้วเนี่ยเวลามองกระจกอ่ะขอบคุณน้วนนั่นแหละสัจธรรมเปิดเผยตัวมาเองให้เราเห็นอย่างชัดเจนเลยทีเดียวนั่นแหละความพลาคพลา ฉะนั้นคนรักของรักถ้ามันพ ร, รากจากเราไปนะอย่าเอาเด็ดตี อ, อกชกตัวนะบอกเจงว่าโอ้พระท่านบอกไว้แล้วก่อสิ่งใดสูญเสียสิ่งนั้นยึดติดสิ่งใดก็จะเจ็บเพราะสิ่งนั้นมันเป็นห่ีจริงๆนะสังเกตให้ดีรักหมารักแมวก็ทุกเพราะหมาเพราะแม่ละรักการเมืองก็ทุกเพราะการเมืองแหละนะรักสิ่งใดก็ทุกเพราะสิ่งนั้น แล้วก็อสิ่งใดก็พลัดพลาจากสิ่งนั้นเม่จากดีก็จากร้ายไม่จากปกติก็จากเพราะอุบตัติอันนี้ธรรมดาแล้วถ้าเรามีกรรมเป็นของของตัวนะทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามก็เตรียมรับเอาไว้เถอะเราทำของเรามาอย่างนั้นเราก็จะได้รับอย่างนั้นอันนี้ก็เป็นธรรมดาของชีวิตห้าประการนะแก่เจ็บ ตายพับพรากและกดแห่งกรรมรู้ให้เท่าให้ทันนะมันจะช่วยให้เราเนี่ยปล่อยลงปลงได้อย่างมีโยมคนหนึ่งมหาตมาลูกกะลังเรียนหนังสืออยู่มอทนแล้วมีคนเดียวขับรถไปเฉลิงฉลองปีใหม่เกิดอุบัติเหตุชนโค้ไปกับเพื่อนเพื่อนเป็นคนขับไม่ตายแล้วมันชวนลูกไปลูกตายคาที่ แท่นักกคนหนาว่าทำไมนคนขับมันไม่ตายลูกโยมเ็าไม่ได้อยากไปนะมันมารับไปนะแล้วมันจุราชทำไมทำอย่างนี้ถ้าเจอหน้านะยโยมชกแน่เลยจะชกมัจจุราชก็ร้งรองห่มร้องไห้เผาลูกแล้วก็ไม่ไม่ยอมจบไม่ยอมเผาศพที่อยู่ในใยคือความยึดติดถือมั่นในโลกน่ะเป็นอีกศพหนึ่ง สบแรกคือลูกตัวเองตายแล้วถูกเผาแล้วแต่ศพลูกอีกคนซึ่งหมายถึงกลุ่มก้อนให้อุปทานนี้เธอยึดติดถือมั่นเอาไว้เธอไม่ยอมชาปานกกิดศพข้างในเผาศพนอกไม่ยอมเผาศพในร้องหม่มร้องไห้แทบล้มประดาตายมหาตามาตามาก็บอกว่ายอมคนเราอะนะถึงถึงที่สุดแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับ เขาทํากรรมให้เป็นเหตุอายุสั้นมาแค่นั้นก็ต้องปล่อยเขาไปสิเขาสร้างเหตุสร้างปัจจัยมามันได้แค่นั้นน่ะยอมต้องยอมรับสุดมือสวยก็ปล่อยมันไปอย่างมะม่วงลูกเนี้ยในยีนของมันเนี่ยมันถูกออกแบบมาให้เป็นมะม่วงยมอมเอาปลูกลงไปแล้วยอมอยากให้มันเป็นพุชรานะพอมันไม่เป็นยอมจะร้องไห้ไหมสอนให้คิด โดยปลวกมามวงลงไปแล้วจะให้เป็นขนุนมันจะได้ไหมเป็นใจงโมได้ไหมคิดมาคิดตายคิดตายคิดมาเธอบอกไม่ได้เพาะเช่นเดียวกันแหละโยมก็ลูกโยมตายแล้วเผาแล้วอะ่ะจะให้ฟื้นอ่ะได้ไหมไม่ได้ในที่สุดก็ดีวันดีคืนดีวันนีคืนมนุษย์รานั้นมีศักยภาพที่จะปลดทุกข์ได้แต่โดยมากเราไม่ยอมปลดเราเอาแต่ร้องไห้เวลาความทุกข์เกิดขึ้นมาเอาแต่ร้องไห้ เอาแต่กินเล่าเอาแต่หมกทุกแต่ไม่ยอมแก้ทุกพอมานั่งทําความเข้าใจกันจริงจริง mm. ก็ตาสว่างได้เหมือนกันนะ mm. นี่ธรรมะมันก็ดีอย่างนี้สุดท้ายตมาก็บอกว่ า, วายม mm. สุดมือสอยก็ปล่อยมันไปเถอะยอมแม่ตามาจะมารักมากท่านยังไปก่อนที่ตามาเจรินจบเลยแม่ของในหลวงพระองค์นเป็นพ่อของคนทั้งแผ่นดินหมอที่ดีที่สุดนะดูแลสมเด็จย่าอยู่เยือได้ไหม ก็ไม่ได้แล้วเจ้าชายเสด็จถาประสูตมาเจ็ดวันสเสด็จแม่ก็ที่วงคตแม่ของพระพุทธเจ้านะโยมนะหนีพ้นไหมไม่พ้นพูดไปพูดมาอาตมาก็เลยถามมาแล้วลูกโยมเนี่ยมันแน่มาจากไหนเนี่ย <c oughs> ถึงห้าไม่ให้ตายเนี่ยสุดท้ายก็ยอมครับตอนนี้ดีขึ้น้วสบายเห็นไหมเนี่ยเข้าใจสัจธรรม สัจธรรมทั้งห้านิยมต้องรู้นะเป็นเหมือนกฎกติกามารยาทของการเป็นคนถ้ายอมรู้เท่ารู้ทันแล้วความทุกข์หนักหนาทราบทางโผมเข้ามาโยมก็รับมือได้เหมือนนักโต้คลื่นชั้นเดชเราจะโต้คลื่นได้อย่างมีความสุขแล้วต่อไปเคล็ลับที่จะทําให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขประการต่อไปก็คือว่าเราทุกคนสามารถบรรลุนิพพานได้ทีนี่เดี๋ยวนี้ในชาตินี้ เราคนไทยมักจะเชื่อกันว่าจะบรรลุนิพพานต้องสั่งสมกันหลายแสนล้านชาติภพต้องมีบุญมีกุศลมหาศาลพอเราถูกแนะนำพัฒนมสอนกันมาอย่างนี้เราก็เลยดูถูกตัวเองว่า อ, อย่างเราเนี่ยเลิกหวังนิพพานนะ เอาตัวรอดมันวันให้มันได้ก่อนหาเช้ากินเช้าหาเที่ยงกินเที่ยงหาค่ำกินค่ำจะไปหวังนิพพานเลยนี่พอเราเข้าใจคืออย่างนี้ปั๊บเราก็ไม่คิดจะฝึกหันพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ถึงจุดหมายสูงสุดของการเกิดมาเป็นคนเราก็เลยเอาแค่ทำบนททำกุศลก็พอแล้วหาร่้ไม่ว่าเราบรรลุนิพพานได้เหมือนกบเท้านั่งเฝ้ากอบัว ไม่รู้จักว่าเกสรบัวมันมีรสโกชาปล่อยให้ผู้พึ่งพระมนบินฉวัดรเฉวียนมาแล้วก็มาลิ้มชิมรสเกสรบัวไปกบเท้านั่งเฝ้ากบบัวก็เฝ้าอยู่อย่างนั้นไม่รู้จักของมีค่าพวกเราจำนวนมากก็เป็นอย่างนั้นไม่รู้จักของมีค่าเกิดมาบมรรลุในภานได้ก็ไม่ยอมสนใจไม่ยอมฝึกหัดพัฒนาเพราะถือเสียว่าตัวไม่มีบุญ เห็นได้ยังก็เลยนอนกอดความทุกข์หนูทุกคืนทุกวันนั่งก mm ็ท hmm. right. so ุกนอนก็ทุกเดินก็ทุกยืนก็ทุกอยู่ที่ไหนก็ทุกไปวัดก็เป็นบ่นให้พระฟังพระก็ทุกอีกเห็นไหมฉะนั้นเรามีศักยภาพที่จะบรรลุภาวะพระนิพพานได้ศักยภาพตัวนี้มีอยู่แต่ว่ามันมีนะถ้าเราไม่ฝึกหาพระจรามันปรากฏไหม ก็ไม่ปรากฏ ร, รอกก็เหมือนไฟเนี่ยมันมีอยู่เอาเห็นเนี่มาต่อยกันเข้าสิมีประกายไฟใช่ไหมมันมีอยู่อย่างนั้นนะใต้ดินเนี่ยมีน้ ำ, นำขุดไปสิขุดไปให้ลึกที่สุดยังไงก็ต้องเจอน้ําแน่ๆในจิตในใจของเราก็มีโพธิภาวะอยู่ปฏิบัติไปเถอะนะถ้าถูกทางเดี๋ยวมันก็ถูกทํา บรรลุภาวะพระนิพพานหมดทุกข์กันได้ครูบาอาจารย์ของเราตั้งแต่หลวงปู่มั่นเป็นต้นมาที่สุดให้หใ้ดูแล้วว่ามนุษย์อย่างเราเราท่านๆเนี่ยนะลูกชาวบ้านหลานชาวไร่ชาวนาเนี่ยเป็นอรารยะบุคคลกันได้ฉะนั้นอย่าไปหมดหวังสะก่อนถ้าชีวิตนี้มีความทุกข์ก็ขอให้รู้ว่าทุกนี้เราดับมันได้นี่ความเข้าใจ อ, อย่างนี้จะทําให้เราปฏิบัติธรรมอย่างมีความหวัง ไม่ใช่ปฏิบัติชาตินี้แล้วขอไปนิพพานเอาชาตินู้น่ะปฏิบัติชาตินี้ก็เอามันชาตินี้เลยเวลาอยากรวยทําไมขอให้มันรวยชาตินี้ทันทีทันควันน่ะเวลาซื้อหวยขอให้มันถูกงวดนี้เลยแต่พอปฏิบัติธรรมแล้วขอให้มันเป็นนิพพานชาตินู้นทํำไมกลัวนิพพานเคยมีโยมมาปฏิบัติกับอาตมาเนอะเขาเป็นนักธุรกิจพอปฏิบัติแล้วกลางคืนก็มากราบอาตมาพระอาจารย์ครับสมมติว่าถ้าผมปฏิบัติแล้วนะ เกิดมันมันลุกขึ้นมานะผมจะทํายังไงกับธุรกิจของผมลูกของผมเมียของผมหุ้นของผมแม่แต่มาก็บอกโยมโยมจงวางใจยังโยมอีกนานกว่าจะบรรลุไม่ต้องกลัวนะถึงมันมันลุกขึ้นมาโยมก็ไม่ต้องห่วง สิ่งที่รออยู่ข้างหน้าดีกว่าทรัพย์สินที่ยอมถือครองทั้งหมดเลยทีเดียวมีเช่นนั้นพระพุทธเจ้าจะทิ้งความเป็นราชามหากษัตริย์ออกมาอยู่เป็นนักบวชได้อย่างไงโอู้งั้นเหละครับงั้นผมสบายแล้วแกแล้วกลับไปปฏิบัติต่ อ, อเพราะแกรู้แล้วว่าแกยังไม่บรรลุง่ายง่แต่ถ้าจะบรรลุแกกลัวนะกลัวว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยที่หามารับลมบระดาตายเนี่ยมันต้องยกให้คนอื่นหมด เขาบอกว่ายังไม่บรรลุง่ายแกดีใจที่ปฏิบัติทั้งคืนเงไงฉะนั้นเรื่บรรลุได้ก็บรรลุเลยจะรออะไรปฏิบัติเนี้ยก็เพื่อบรรลุเนะทำไปถ้าเห็นปัจจัยมันพอเหมาะพอควรน่ะเดี๋ยวมันก็สว่างพม